ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยิน ด้วยจุดประสงค์เพื่อใช้สงเคราะห์ช่วย ครั้งหนึ่งมีโทรชน 2 คนเข้ามาเกี่ยว 2 คนที่ว่านี่ก็คือเสือปล้นชื่อดังชื่อเสือสวิงกับเสือสังเวียน 2 เสือเพื่อนกันคู่นี้ปล้นฆ่าอาราวาสในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ไปจรดจังหวัดพิกัดตำรวจท้องที่ตามล่าตาม 2 เสือก็หลุด ในที่สุดเสือสวิงกับเสือสังเวียนก็ถูกล้อมจับที่อําเภอบางมูลนากจังหวัด ถึงเวลากลางคืนถึงจะออกเดินทางโดยอาศัยเดินไป เวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางกำลัง จากความชั่วความเลวทั้งหลายยนต์ชั่วชีวิตเสือสังเวียนก็ยืนยันว่าจะเลิกเหมือนกันหลวง แล้วก็มอบสั่งว่าเวลาเข้าที่ขับขันมงคลให้แก่สองเสือเสือสวิงนั้นท่านให้ตรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจออกคอยดักซุ่มจับปลุมอยู่เขาไม่ ออกจากวัดแล้วทั้งสองก็แยกทางกัน บอกว่าปืนลงจากบ้านเสือสังเวียนไม่ได้เอาปืนติดตัวไป ไม่ได้มีอยู่ในตัวของคนคนนี้เอาเสียเลยเพราะว่าเสือสงเวียนเพิ่งจะให้สาบานต่อหน้าหลวงพ่อเดิมมายกๆว่าจะเลิกประพฤติ หลังจากได้พบป่ pumpkins และสั่งเสียชน passport ที่เรียบร้อยก่ outlook ก็รีบจากไป เพื่อหาหchin cornsted เป็นไปตามวาจาที่หลวงพ่อเดิมได้กล่าว ท่านถึงได้กล่าวถ้อยคําที่ว่าเอ็ง ที่วัดเชิงเลนหรือว่ามีชื่อเป็นทาง 2402 บวช ท่านเล่าเรียนวิชาจากพระอธิการปานจนแตก อทุโดงควัดเพื่อออกเดินฟังบอกว่า 15 ปีเพื่อแสวงหาวิเวกๆเคยไปเรียนวิชากับพระ ระหว่างปักปรดเรียนรู้อ่าก็ร้ายมาวนเวียนอยู่โดยรอบแต่ก็ มีที่ 16 ก็มีญาติโยมนิมนต์ ไม่วุ่นวายห่างไกลจากความเจริญก็เลยเข้ามา ท่านก็เลยรวบรวมบริขารทุรดงจะออกจากวัดเชิงเรน ชอบหลอกผู้หญิงพอได้แล้วก็ทิ้งก็เป็นเหตุให้ เสร็จแล้วก็นิมนต์หลวงปู่ไข่ไปที่บ้านพอหลวงปู่ไข่ เออหมดกรรมได้ทีนะมึงมารดน้ํามนต์ซะ 3 ปีหลวงปู่ไข่ก็ ฉันช่วยได้แค่ทําให้เครื่องไม่อาราธทําร้ายคนเท่านั้น อุชาจีนคนเนี้ยก่อนนี้เคยไม่ให้ปฏิเสธแก่ก็เลยไปหาไม้มาไว้อ่าแล้วก็มานมัสการหลวงปู่ปวรนาตัวจะนําไม้กับช่างไม้มาซ่อมแซมกุฏิหลวงปู่แล้วก็หมู่กุฏิในคณะให้มีสภาพดีแต่ว่าขอ หลวงปู่เห็นศรัทธาก็ให้หวยไปตามวาสนาของเฒ่าแก่แบบบ่ายให้โดยตีความไม่ยากปรากฏว่างวดนั้นเฒ่าแก่ถูกหวยเยอะแต่แทน บุญกิจก็บอกหลวงปู่บอกว่าที่อั่วเออทำแม่นก็ต้องแทงเองถูกรวย ย่อมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสัจจะเนี่ยสำคัญที่พระหลอกเจ้าที่ถือศีลอย่างฉันน่ะเป็นบาปหนักหนาทรัพย์ เฒ่าแก่บุญกิจทําการค้าอะไรก็วายป่วงจริงๆวินาศหมดที่สุดแม้แต่บ้านก็ถูก วันหนึ่งหลวงเขาก็บอกว่าไข่กําลังเดินจงกรมอยู่ในลาน จะเอาไปรักษาก็ใช่กระทั่งตัวเองยังเมาแอ่น ไอ้ขี้เมานี่เนี่ยก็ไอ้ปืนด้วยหันก็บอกขึ้นฟ้าปลอกปืนไม่ลั่นจริงๆเสียงแชะแชะก็โยนปืนลงกับปืน ว่าผู้ชายคนนี้ออกไปพ้นเขตวัดจะไปข้าม ถ้าฉันหลบไม่ทันงอหงายหลังเอาหัวไปกระแทกพื้นนี่พระปิดตาเอาไปป้องกันตัวจะ วัดเชิงเรียนหรือวัดบ่อผิดภูมิพกกรุงเทพฯครับพอเอ่ยถึงวัด พูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งรวมผีทุกชนิดอัน ก็ดูชื่อวัดเดิมก็แล้วกันชื่อแล 90 แล้วตอนที่แก มีสัตว์ให้ดูตั้งแต่กระตายงูจงอางแม้แต่ตะกวดบางทีก็โผล่มาให้เห็นพวกนี้มันชอบกระท่อมแม้แต่ฟิ่นก็มี ผัวหนุ่มๆจะไปเที่ยวสาวจะผ่านวัดช่อง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 ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองคิดว่าเป็น หน้าตาไม่ชัดเจนน่ะแต่ว่าตาโตแดงแฉะเลยไม่ใช่คนแน่ร้องสูงจนเอามือลูบกระเบื้องหลังคาศาลาการประเรียนได้แล้ว ตกลงญาติโยมก็เลยช่วยกันทําบุญอุทิศให้ในวันพระต่อมาเปรตที่มารูป เนื่องจากเป็นคนรวยลูกหลานก็เลยจัดสวดศพให้ถึง 7 คืนแล้วก็มีมหรสพให้ดูฟรีโดยทางเจ้าภาพ เพราะเมื่อเห็นมีหุ่นกระบอกประชานก็เลยพาลูก พระหลำหันมามองเจ้าเชื่อมก็ชี้ไปบนสันกำแพงพอพระหลำ แม่แต่งควายพระหลำก็เลยไปบอกญาติเค้าให้รู้พอวางญาติของนางแต่งควายผู้ตายคนอีกเลยเรื่องของผีที่ แต่ว่าแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ไม่ได้ ก็มีศพไม่มีญาติเก็บไว้ ก็มีนายเตียนฝีไม้ลายมือเป็นช่างไม้เป็นคนไปรื้อสังฆสีหลังคากุดังโดยด้านก็มีครูหมานอ่าครูสมณน่ะครูภละกับนายเปลี่ยนเด็กวัดเป็นคนคอยรับสังฆสีลงมาทีพอรื้อได้ครึ่งนึงนายเตียนก็เก้ๆกังๆไม่ยอมส่งกระเบื้องลงมาครั้นเร่งเข้าก็บอก ถ้ากลัวเอาว่าส่งไปแล้วพวกเอ็งจะล้มก็เลยจะให้พวกเอ็งไล่เด็กไปซะก่อน 2 คนข้างล่างน่ะหัวหมุนแล้วเพราะไม่ ทางวัดไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบเพื่อมา สำหรับเรื่องผีหวงหรือว่าผี ออกมาเพื่อจะออกปากซอยองค์คระเป็นทางลัดอ่าลัดกว่าที่จะออกทางวัดประชาระบือธรรมค้างดึกคืนหนึ่งในประเจียดลงมาเข้าห้องน้ําด้านล่างได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาเสร็จ รุ่งเช้าก็ไปสอบถามเจ้าของบ้านก็ได้ความว่าน่าจะเป็นวิญญาณ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 แล้วก็คือน้ําแม่จ่าสวัสดิ์ 3 คืนต่อมาก็ฝันว่าแกมาหามา นั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ แกชํานาญมากและที่สําคัญแกไม่เคยถูก สามห้ามผิดลูกเมียบคนอื่นห้ามผิดลูกเมียคนอื่นสังเกต ผึ้งมาเจอความร้อนเจอกวันไฟเข้ามันก็จะพากันบินหนีไปจนเพื่อ ลุงไทยกับดังนั่งสดเล่าขาว 40D อยู่กับบ้านตามรำพังคนเดียวทิศดำคนข้างบ้านก็มาบอกลุงไทยบอกวันนี้เขาเดินเขาไปในสวนหลังบ้านไปเจอรังพึ่งหลวงหนึ่งอยู่ที่โค้นต้นขนุนไม่รู้ว่ามันมาเกาะทำรังตั้งแต่เมื่อไหร่พอลุงไทยได้ยินอย่างนั้นก็หยุดกินเล่า พอไปถึงบริเวณโคนต้นขนุนที่ทิดดําบอกแกก็ยืน ลุงไทยเดินไปหยุดอยู่ห่างจากรังผึ้ง ผึ้งผึ้งเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็ เพื่อจะหนีผึ้งที่ไล่ต่อยแก่แต่บังเอิญร่องสวนของทิศดำนั้นแห้งน้ําแห้งแกก็เลยหนีไม่พ้นถูกผึ้งตามไล่ต่อยจนศพของแกตามใบหน้าตามลําตัวบวมชึ่งด้วยพิษเหล็ก ก็คงจะถึงเวลาแล้วที่พึ่งเออกรรมมุนาวัตติติ โลกो ครับสัตว์โลก